ตอนที่65ท่านถูกหลอกแล้วลีชิงพิงกับหลีหวานไม่เคยได้นั่งร่วมโต๊กกินข้าวมาก่อนตอนที่ยังอยู่บ้านเดิมนับประสาอะไรกับการได้กินเกี๊ยวที่ร้อนระอุแบบนี้ตอนนี้ลีชิงพิงจึงรู้สึกมีความสุขมากลีหวานเห็นหางตาของแม่เริ่มแดงระเรื่อไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแม่คงกําลังนึกถึงเรื่องที่ไม่สบายใจบางอย่างอยูอย่แน่ๆ แ, และเรื่องนั้นก็น่าจะเกี่ยวข้องกับโจเจี้ยนเยี่ยแม่คะใครเป็นคนปรุงไส้เกี๊ยวเหรือคะอร่อยจังเลย หลี่หวานไม่เพียงแต่เติมพริกในถ้วยจิกโชกของตัวเองเท่านั้นแต่ยังใส่ผักชีกับต้นหอมซอยลงไปอีกด้วยแถมยังปรุงน้ำจิ้มน้ำมันแยกออกมาอีกถ้วยดูคล้ายกับการกินหมอ้อไฟไม่มีผิดพอเห็นแบบนี้เธอก็พลันนึกถึงหมอ้อไฟเนื้อแกะขึ้นมาจนเริ่มน้ำลายคุณปู่คะคราวหน้าถ้าหิมะตกอีกพวกเรากินหมอ้อไฟกันดีไหมขนูอยา ก, กินหมอ้อไฟเนื้อแกะคะ่ะได้สิจะต้องรอให้หิมะตกครั้งหน้าทําไมล่ะพรุ่งนี้เย่จะไปซื้อเนื้อแกะมาให้เลยเจ้าชุนฮวารียตอบตกลงทันทีเรื่องแค่นี้ไม่ลํําาาาาบกกกออออะะไรเเเลลยยนนนมื่หหิธ็จทใ้ ในตู้เย็นบ้านเราไม่มีเนื้อแกะสไลด์เหลืออยู่เหรอือผู้เทาเจิงถามขึ้นมาประโยคหนึ่งปู่จําได้ว่าเหมือนจะมีเนื้อหมูอยู่นะถ้าเสียวันอยากกินก็ไปต้มกินเธอหน้าจะมีซอสงาเหลืออยู่ด้วยไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ค่อยกินก็ได้วันนี้พวกเรากินเกี๊ยวกันก่อนหรือวันรีผ้ามไว้เพราะไม่อยากให้คุณย่าต้องลาบากอีกอีกอย่างเกี๊ยวที่ทําในคืนนี้ก็เยอะมากพอแล้วกินกันคนละหลายจานก็ยังไม่หมดเลยปกติคุณไม่เคยทํากับข้าวเลยจะจําได้อีกหรือว่าในบ้านมีอะไรบ้างเจ้าชุนฮวาเเหลือมอมงขา เนื้อหมูสไลน์นั่นกินหมดไปตั้งนานแล้วเนื้อสัตว์แช่ในตู้เย็นนานๆมันไม่ดีหรอกไม่รู้ว่าไฟจะดับเมื่อไหร่อยา ก, กินตอนไหนค่อยซื้อแบบสดๆมาดีกว่าพรุ่งนี้ฉันตั้งใจจะซื้อหัวหมูมาทั้งหัวเพื่อเอามารมควนด้วยเนื้อหัวหมูพวกนี้เก็บไว้กินได้ตั้งนานแน่ผมว่าเข้าท่าดีนะเนื้อหัวหมูพะโลนี่แหละเหมาะสําหรับเป็นกับแกล้มแล่าที่สุดพูดแล้วก็อยากกินขึ้นมาทันทีเจ้งเศร้าเหิงกับน้องๆ อ, อีกสองคนกินข้าวเร็วเป็นปกติพออิ่มแล้วต่าางงงงกกก็แยยย้้ัับหอออขตวเไป คืนนี้หลีหวานกินเกี๊ยวไปมากกว่าทุกคนเสียอีกทั้งที่ปกติเธอไม่ได้กินเยอะขนาดนี้เจ้าชุนฮวาเห็นแล้วก็ดีใจมากถ้าทางคืนนี้ยกาจะทำอร่อยจริงๆฝีมือการปรุงไส้เกี๊ยวของย่านนี้ไม่เลวเลยนะอร่อยมากเลยค่ะหลีหวานให้คะแนนเต็มก่อนนอนคืนนั้นเมื่อมุด ต, ตัวเข้าไปในผ้าห่มที่อุ่นสบายเธอก็ห่อตัวเองไว้จนมิชิดอย่างมีความสุขจนไม่อยากจะโผล่หัวออกมาเลยสมุนไพรที่ผ ส, สมอยู่ในมิติมีมากขึ้นเรื่อยๆหลีหวานคิดว่าถึงเวลาที่ต้องหาทาง จัดการกับพวกมันบ้างแล้วแม้ว่าคุณปู่จะให้เงินค่าขนมเป็นประจำทุกเดือนและเธอก็แทบจะไม่มีเรื่องให้ต้องใช้เงินเลยก็ตามร้าสมุนไพรจีนในเมืองหลายแห่งเป็นของเอกชนตอนที่หลีหวานออกไปข้างนอกเธอยังไม่ได้เข้าไปสอบถามดูจึงไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะรับซื้อสมุนไพรจากบุคคลทั่วไปหรือไม่ตามหลักการแล้วในยุคสมัยนี้การเพาะปลูกสมุนไพรจีนน่าจะเป็นระบบระเบียบมากแล้ว แต่ของที่พวกเขาเพาะปลูกออกมาย่อมไม่มีทางเทียบกับคุณภาพของสมุนไพรในมิติของเธอได้แน่นอนหลหวันเข้านอนแต่หัวค่ำพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็พบว่าในหลานบ้านไม่มีหิหลงเหลืออยู่เลยหิมะที่ตกมาทั้งคืนทำให้พื้นดินเปียกแฉะแม้จะไม่มีเกล็ดหิมะให้เห็นแต่กลับมีชั้นน้ำแข็งบางๆเคลือบอยู่แทนลีชิงพิงเดินออกจากบ้านอย่างระมัดระวังเธอแทบจะเดินเกาะผนังไปตลอดทางหลังจากดื่มโจ๊กร้อนๆในตอนเช้าร่างกายถึงเริ่มรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาบ้างลิวนันตั้งใจจะออกไปข้างนอกจึงบบอกกัคุณ่าแและแมไว้ เจ้าชุนฮวาบอกว่าจะออกไปเหมือนกันเดี๋ยวพวกเราออกไปพร้อมกันเลยคุณแย่จะไปตลาดเหรอคะใช่จะในบ้านไม่ค่อยมีเนื้อเหลือแล้วแย่จะไปซื้อมาเพิ่มเจ้าชุนฮวากล่าวต่อมีอะไรที่อยากกินอีกไหมวันนี้อากาศค่อนข้างหนาวงานันตอนเย็นพวกเรากินหม้อไฟกันเถอะส่วนมื้อที่่แย่จะตุนซี่โครงหมูให้กินนะแม่คนีจะกินเนื้อทั้งสา ม, มื้อเลยเหรอคะลีชิงผิงรู้สึกว่ามันฟุ่มเฟ้อเกินไปเชา้ากินไข่ตุนหมูสับที่่กินซี่โครงหมูเย็นกินหม้อไฟเนื้อแกะ มีเนื้อทุกมื้อเลยกินเนื้อสามื้อบ้านเราก็จ่ายไว้จ้าเจ้าชุนหัวโบกมือไม่ให้หลีชิงผิงกังวลเรื่องเงินพวกเราสองคนพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายปกติของครอบครัวเราได้สบายๆไม่ต้องห่วงหรอกแต่จะให้ใช้แต่เงินของแม่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวฉันไปเอาเงินมาให้คะ่ะไม่ต้องไปหรอกระวังทางลื่นจะล้มเอาดิกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปนอนพักในห้องเธอมื้อเที่ยงค่อยออกมากินข้าวหลีชิงผิงรู้สึกว่าถ้าถูกเลี้ยงดูแบบนี้ต่อไปเธอต้องอ้วนขึ้นแน่แน อย่างน้อยต้องมีสิบชั่นขึ้นไปหลิวหวันแยกกับคุณย่าที่บริเวณใกล้ๆตลาดเธอสุ่มเดินเข้าร้านสมุนไพรจีนร้านหนึ่งเท่าแก่เดินออกมาต้อนรับแล้วถามว่าต้องการอะไรเด็กอายุเท่าเธอส่วนใหญ่มักจะมาซื้ อ, อยาตามใบสั่งยาให้คนในบ้านนี่ก็มาหาหมอสวัสดีค่ะหนูอยากถามว่าที่ร้านรับซื้อสมุนไพรไหมคะรับจากบุคคลทั่วไปนะคะหลิวหวันลองถามอย่างเชิงดูไม่รับเท่าแก่ปฏิเสธอย่างเด็ดขาด แม่หนูสมุนไพรที่เรารับซื้อต้องมีมาตรฐานนะพวกที่มาไม่ชัดเจนเราไม่รับหรอกเอาเข้าใจแล้วข้าขอบคุณค้าหลี่หวันคิดว่าจะไปลองดูที่อื่นต่อแต่พอเดินพ้นประตูร้านออกมาเธอก็สวนกับรถที่มาส่งสมุนไพรพอดีเท่าแก่ครับรอบนี้ส่งตะกุยห้าสิบช่างมนาะลงบัญชีไว้ก่อนได้เลยสิ้นเดือนค่อยมาเคลียร์ยอดกันทีเดียวได้ดิเอาไปส่งที่หลังร้านก่อนเลยถุงที่ใส่สมุนไพรเป็นเพียงตะกร้าสารธรรมดาหลีหวันเหลือบมองเพียงแวบเดียวแววตาก็เปลี่ยนไปทันทีเดี๋ยวก่อนค่ะ มีอะไรอีกหรอแม่หนูเท่าแก่ถามหลีหวานอย่างไม่เข้าใจเท่าแก่ค่นี้คือตังกุยที่พ่อค้าสมุนไพรเอามาส่งให้ที่ร้านเหร๋ยครหลีหวานถามย้ำเพื่อความแน่ใจอาจใช่สินี่เป็นพ่อค้าสมุนไพรที่ทําธุรกิจกันมาอย่างถูกต้องร่วมงานกันมาเป็นสิปีแล้วเพราะงั้นถ้าหนูมีสมุนไพรยอยู่ในมือก็คงขายออกยากหน่อยแล้วนะสมัยนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนสมุนไพรพวกนี้มันปลอมกันง่ายแหล่งที่มาต้องชัดเจนเท่าแก่กล่าวอย่างจริงจังเอาเลยอย่ามาขวางทางทำมาหากินของฉันเลยวันหลังถ้าต้องการอะไรค่อยมาใหม่นะ แต่นี่ไม่ใช่ตังกุยสักหน่อยหลหวานกล่าวออกมาตรงๆเท่าแกะ่ะลองดูให้ชัดๆอีกทีสิคะนี่มันคือตูหัวชัดๆตังกุยกับตูหัวมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนแน่นอนว่าถ้ามองแค่ภายนอกอาจจะดูคล้ายกันจนแยกยากแต่สรรพคุณทางยาและราคานั้นต่างกันลิบลับการเอาตูหัวมาหลอกขายเป็นตังกุยแบบนี้มันคือการต้มตุ๋นชัดๆเท่าแกะหยิบแผ่นสมุนไพรที่หั่นไว้ขึ้นมาพิจารณาอย่างละเอียดพลางขงมวดคิ้วนี่มันก็ตังกุยชัดๆนี่นา จากนั้นเขาก็โยนมาลงที่เดิมพางคิดว่าตัวเองคงจะเลื้อยเรือนไปแล้วจริงๆที่ไปฟังเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเด็กตัวแค่นี้จะไปรู้อะไรเรื่องสมุนไพรจะไปแยกแยะตังกุยกับตูหัวออกได้ยังไงอย่ามาป่วนที่นี่นะความอดทนของฉันมีขีดจำกัดถ้าเธอยังไม่ไปฉันจะส่งเธอไปสถานีตำรวจเท่าแกคิดว่าพูดแบบนี้จะขู่หลืหวานได้เขาไม่ได้ตั้งใจจะส่งเด็กสาวไปสถานีตารวจจริงๆหรอก เท่าแก่ข้าหน้าตัดของตังกุยจะเป็นสีขาวนวลแต่ตูหัวหน้าตัดจะเป็นสีเหลืองเท่าท่านเปิดร้านยามาตั้งหลายปีคงไม่ได้ดูไม่ออกแม้แต่เรื่องง่ายๆแค่นี้หรอกนะคะราคาสมุนไพร2ชนิดนี้ต่างกันตั้งเยอะพวกเขาเอาตูหัวมาเนียนขายเป็นตังกุยหลอกเงินท่านในเรื่องเล็กแต่ถ้าท่านจัดยาให้คนที่ผิดขึ้นมานั่นไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะหลี่หวันวิเคราะห์ต่อด้วยน้ำเสียงเรียบเฉย